สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหนังสือ20กฎทองคํากฎข้อที่5ครับต้องขอขอบคุณพระเจ้าสําหรับหนังสือกฎทองคํา20ข้อนี้ซึ่งเขียนโดยท่านศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงแปลโดยท่านศาสนาจารย์สุพิธวิจักรโยธินทําให้เราได้เห็นถึงกฎ ทองคำที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเราที่ท่านได้เขียนโดยอา ธ, ธิบายจากพระคิดสำคัมพีครับในเช้าวันนี้เรามาถึงกฎที่5ที่มีชื่อว่ากฎแห่งเสรีภาพพาระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอนบทที่8ปดข้อสาครับพระธรรมยอนบทที่8ปดข้อสาโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าพระบุตรทรงกระทาให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย ท่านก็เป็นไทยจริงๆพระบุตรทรงทาให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆคำว่าเป็นไทยก็หมายถึงเสรีภาพครับเสรีภาพที่พระเยซูให้กับเรานั้นก็คือการไร้เสรีภาพที่เป็นเสรีภาพแท้ๆเพราะว่าหลักการตรงกันข้ามกับซาตานซาตานนั้น ให้มนุษย์มีเสรีภาพที่ไร้เสรีภาพพี่น้องครับเมื่อฟังตรงนี้หรือผมได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้ผมก็งงๆในทีแรกครับคําว่าการไร้เสรีภาพที่เสรีภาพจริงๆการไร้เสรีภาพที่มีเสรีภาพจริงๆนั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราครับถ้าจะถามว่ามันคืออะไรการไร้เสรีภาพ ที่มีเสรีภาพมันหมายถึงว่าเวลาที่เราเดนได้ออกจากชีวิตแห่งความมืดชีวิตแห่งความบาปแล้วหันมาเปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดกลับใจใหม่เราได้รับการอภัยโทษเราบังเกิดใหม่นั้นเรานั้นเข้ามาเป็นทาสของพระคริสต์แต่การเป็นทาสของพระคริสต์นั้นก็เหมือนกับการ ไร้เสรีภาพที่มีเสรีภาพคือเรามีอิสระในการทำดีแต่ก่อนนั้นเราไม่มีอิสระภาพในการทำดีครับเราไม่มีเสรีภาพในการทำดีเพราะว่ามารซาตานั้นมันให้เสรีภาพจอมปลอมก็คือดูเหมือนว่าจะมีเสรีภาพแต่จริงๆไม่มีนั่นคือความหมายของคำทั้งสองคนี้แต่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราดูเหมือนจะ ไม่มีเสรีภาพแต่มีอิสระเสรีภาพที่แท้จริงครับเราสามารถที่จะมีอิสระในการที่จะทำดีได้ทาสิ่งที่ถูกต้องตามชอบธไทยของพระเจ้าได้นั่นคือเสรีภาพที่แท้จริงครับพี่น้องครับค่าซื้อทาสของซาตานคือเสรีภาพหรือการทำตามใจของตัวเองการทำตามใจชอบของตัวเอง แต่พระเยซูคริสต์ทรงชูธงของพระองค์เขียนตัวหนังสือใหญ่ๆว่าไร้เสรีภาพในพระเยซูนั้นไร้เสรีภาพหมายความว่าองครับหมายความว่าเราเมื่อเราติดตามพระเยซูนั้นเราดูเหมือนไร้เสรีภาพแต่จริงๆเรามีเสรีภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นซาตานนั้นแจกพันธบัตรแจกเงินครับมีคนเข้าออกมากมายครับข้างเพื่อที่จะได้พันธบัตรได้เงิน แต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มาก็คือเป็นทาตของมันมนุษย์เรานั้นใช้ชีวิตยอยู่ภายใต้ธงแห่งเสรีภาพของซาตานก่อนที่เขาจะกลับใจใหม่ซาตานนั้นปล่อยให้ชีวิตของมนุษย์นั้นกำเริบไปกับตัณหาใช้ชีวิตแบบเห็นแก่ผลประโยชน์เห็นแก่ตัวทำลายเสรีภาพของคนอื่นใช้เสรีภาพจอมปลอมแบบ เกินขอบเขตเพื่อแลกกับเสรีภาพราคาถูกๆเอาตามใจตัวเองตามแต่ความสะดวกของตัวเองและคิดว่าเป็นเสรีภาพเอากันพัวพันควบคุมเป็นการปลดปล่อยพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ได้พัวพันกันเป็นเกลียวเชือกและผูกมัดมวลมนุษย์อย่างเหนียวแน่นมนุษย์ร้องให้คำควรวญในโซ่ตรวนและกุญแจมือที่มองไม่เห็นนี่แหละครับคือเสรีภาพที่ ไร้เสรีภาพเสรีภาพที่ไร้เสรีภาพนั้นมาจากซาตานครับพี่น้องแล้วมันดูเหมือนมีเสรีภาพมากๆเพราะว่าการใช้ชีวิตที่ปล่อยประละเลยตัวเองใช้ชีวิตแบบเห็นแก่ตัวใครอยากจะทำอะไรก็ทำทำลายเสรีภาพของคนอื่นก็ได้ใช้เสรีภาพเกินขอบเขตไร้ขอบเขตก็ได้เนี่ยครับคือสิ่งผูกมัด ชีวิตของมนุษย์ภายใต้คําว่าเสรีภาพและผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่านั่นคือเสรีภาพที่จอมปลอมครับเป็นเสรีภาพที่ไม่เที่ยงแท้แต่พระเยซูนั้นพระองค์มีกฎเกณฑ์ของพระองค์พระองค์ได้มีบัญญัติข้อใหญ่เป็นมหาบัญญัติดูเหมือนว่าชีวิตของคริสเตียนนั้นอยู่ในกฎเกณฑ์มากมายแต่หารู้ไม่ว่าภายใต้กฎเกณฑ์มากมายของพระเจ้านั้น มนุษย์มีอิสระเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่มากครับในการที่จะเลือกในการที่จะทำในการที่จะคิดในสิ่งที่ดีๆซึ่งมนุษย์ไม่เคยได้คิดได้ทำได้พูดมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะหาเสรีภาพแบบไหนครับหาเสรีภาพที่แท้จริงหรือหาเสรีภาพจอมปลอมเสรีภาพที่แท้จริงนั้นมาจากพระเจ้าเป็นอิสระภาพที่ ยั่งยืนแต่เสรีภาพจอมปลอมนั้นมาจากซาตานครับเป็นเสรีภาพเป็นอิสระภาพที่ไร้เสรีภาพจริงๆใครก็ตามที่มุ่งสวรรคหาเสรีภาพจอมปลอมนั้นได้วิ่งไปวิ่งมาในฝ่ามือของซาตานเสรีภาพที่ซาตานมอบให้ก็คือการมุ่งไปสู่แดนประหารมุ่งไปสู่ความพินาศซาตานนั้นได้ยกพูกกันขึ้นวาดรวดราย ด้านหนึ่งมันวาดพระเจ้าเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายอีกด้านหนึ่งก็ยั่วยุเอวาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะน่าฟังในสวนเอเดนดูเหมือนว่าซาตานมันกำลังพูดกับเอวาอย่างนี้ครับพระเจ้าไม่มีเหตุผลที่จํากัดเธอเธอเป็นคนที่น่าสงสารเหลือกเกินพระเจ้าให้นโยบายที่โง่เขามาปกครองพระองค์ทรงต้องการให้เธอเป็นทาสรับใช้ แต่ฉันเนี่ยสนใจเธอนะเชื่อฉันเถอะจงต่อสู้จงลุกขึ้นเพื่อเสรีภาพเชื่อฉันเถอะตาของเธอจะสว่างน่าเสียดายครับเอวาฟังถ้อยคำของงูฟังความคิดของซาตานเมื่อเธอกินผลไม้นั้นตาของเธอก็สว่างขึ้นมาทันทีแต่ตาที่สว่างขึ้นนี้ มองเห็นการเปลือยกายของตัวเองและอนาคตที่มืดมนพี่น้องครับตาที่ดูเหมือนสว่างขึ้นนี้กลับมองเห็นการเปลือยกายของตนเองและอนาคตที่มืดมนนั่นแหละครับเกิดจากการเลือกที่จะมีเสรีภาพจอมปลอมนั่นเองซาตานนั้นได้ให้คํามั่นสัญญาไปตามที่ต่างๆเช่นให้คํามั่นสัญญาเกี่กับเสรีภาพ ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับสติปัญญากินแล้วจะมีปัญญาขึ้นมาและให้เสรีภาพต่างๆคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับความอิม่มอกอิอ่มใจต่างๆซึ่งเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งสิน้นคนที่เหมือนกับเอวานั้นมีมากมายทุกหนทุกแห่งครับพวกเขานั้นฟังถ้อยคำที่หลอกลวงฟังค่อยคาที่อ่อนหวานฟังถ้อยคำที่หูเมื่อฟังแล้วตาโตเลยทีเดียว ต้อเชื่อฟังมันครับในที่สุดก็ต้องร้องไห้เสียใจเพราะถูกซาตานหลอกลวงพี่น้องครับพระเยซูคริสส่งยื่นพระหัตถ์ทั้งสองข้างของพระองค์ออกทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนพระองค์เหมือนทรงสูญเสียสรีภาพอิสรภาพแต่นี่คือการทรงใช้เสรีภาพที่แท้จริงครับพระองค์ทรงเลือกที่จะเอาชีวิตของพระองค์ เป็นเครื่องบูชาไทยบบบให้กับพวกเราทั้งหลายพระองค์ทรงเลือกที่จะเอาความรักของพระองค์ประทานให้กับมนุษย์อย่างมีอิสระเสรีที่สุดครับพระหัต์ทั้งสองข้างที่ยื่นออกบนใบแข้งเข็นเป็นพระหัต์ที่มีเสรีภาพมีอิสระภาพที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติและการที่พระองค์ยื่นพระหัต์ของพระองค์ยื่นแขนของพระองค์ออกบนแมงเขนนั้น มันพุ่งชนพุ่งชนทะลุที่คุมขังของตัวเองเข้าสู่แวดวงของความรักการไร้เสรีภาพที่มีเสรีภาพแท้จริงเพียงครับดูเหมือนพระเยซูถูกควบคุมอยู่บ น, นไม้กางเขนครับแต่แท้จริงแล้วนั่นแหละคืออิสระเสรีภาพที่แท้จริงที่มันทะลุออกมาครับที่มันยืดออกมาจากไม้กางเขน แพมาถึงพวกเราทั้งหลายทุกคนนั่นดูเหมือนความรักที่ไร้เสรีภาพแต่มีเสรีภาพสูงสุดเป็นเสรีภาพที่มีพลังฤทธิดเดชมากที่สุดในโลกพี่น้องครับเพราะชนะของพระเจ้าได้สอนว่าสาเหตุที่แท้จริงของเสรีภาพคือการรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักท่านอาจารย์ปาร์โล ก, กล่าวว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่าน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 กาลาเทบทที่ห้าข้อพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะต้องพิจารณาใกล้ครวนขอบคุณพระเจ้าครับที่การที่เรามาเชื่อพระเจ้านั้นมันดูเหมือนจะไร้เสรีภาพแต่เป็นเสรีภาพที่แท้จริงครับหลายลาคนเคยมีความรู้สึกว่าอึดอัดในการเป็นคริสเตียนบ้างไหมครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าในช่วงแรกนั้นเราอาจจะอึดอัดบ้างแต่ ขอให้เรารู้ว่านี่คือเสรีภาพที่แท้จริงที่พระเจ้าจะะ่านมานเราจะไม่มีการถูกบีบบังคับที่จะไปทำบาปอีกเราจะมีอิสรภาพที่เราสามารถที่จะไม่ทำบาปได้และเรามีอิสรภาพที่จะเลือกทำในสิ่งที่จะเชื่อฟังพระเจ้าได้ซึ่งแต่เดิมนั้นเราไม่มีวันได้ทำเมื่อเราอยู่ใต้อำนาจมืดของมารซาตานที่ผูกมัดเราอยู่ พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าเพราะเราเป็นไทยในพระเยซูคริสต์อเมน